บัดนี้จักได้แสดงธรรมกรถาซสือบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดหัวข้อที่สความยากสี่อย่างพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภ กิจชังมัจจานะชีวิตังกิจชังสัตธรรมมัสวนังกิจโฉพุทธานมุ ป, ปาโทแปลว่าการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตคือความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการฟังพระสธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้ เป็นของยากคือยากที่จะได้ที่จะเป็นอธิบายความการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยอาศัยกุศลกรรมโลกมนุษย์ท่านจัดเป็นสุขติภูมิคือภูมิที่ดีพ้นจากอบายภูมิสอบายภูมิสี่คือนรกเปรตอสุรกาย สัตดิชฉานส่วนสุขติภูมินั้นคือมนุษย์สวรรค์และพรหมโลกในพวกสุขติภูมิมนุษย์เป็นภูมิต่ำที่สุดอาหารของมนุษย์ก็อยาบเศษที่เหลือคืออุจจาระปัสสาวะก็เหม็นพวกสวรรค์และพวกพรหมโลกเขาอยู่สบายกว่ามากอยู่ด้วยอาหารทิพสัมผัสทิพ แต่การเกิดในสวรรค์หรือพรหมโลกต้องไปจากมนุษย์นี่เองมนุษย์ที่ทำบุญกุศลไว้มากไปสวรรค์ส่วนผู้ที่ทำมหคัตตะกุศลคือฌานเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วย่อมไปพรหมโลกทั้งสองพวกนี้เมื่อหมดกำลังของบุญกุศลแล้วก็ต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกรวมความว่ายังตกอยู่ในห้วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเทียบกับจำนวนและประเภทแห่งสัตว์โลกอื่นๆแล้วจะเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากสัตว์ดิบชารในโลกมนุษย์เท่าที่พอมองเห็นได้มีมากมายมากทั้งปริมาณมากทั้งประเภทและชนิดพวกนั้นถือปฏิสนธิด้วยอกุศลกรรมทั้งสิน้นถามว่ามนุษย์ที่ลาบากกับสัตว์ที่สบายเช่นสุนัขที่เจ้าของเลี้ยงอย่างดีอย่างไหนจะดีกว่า ต้องถามก่อนว่าที่ว่าลาบากนั้นลำบากแค่ไหนแต่ความจริงควรจะเทียบพวกที่สบายกับพวกที่สบายพวกที่ลำบากกับพวกที่ลำบากด้วยกันเพราะคำว่าสบายหรือสุขนั้นเมื่ออยู่ที่ไหนก็ดีที่นั่นเช่นพระราชาที่ลำบากกับชาวนาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาชาวนาที่มีความสุขแต่ถ้าชาวนาที่มีความสุข กับพระราชาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาความสุขของพระราชาเพราะถึงแม้ว่าอาจเสมอกันในความรู้สึกแต่ปริมาณและความประนีตย่อมผิดกันความสุขของพระราชาย่อมมากในปริมาณและประนีตกว่าในคุณภาพอาจเสมอกันในความรู้สึกว่าสุขเท่านั้นสัตว์ที่ลำบากกับมนุษย์ที่ลำบากนั้น สัตว์เดรัจฉานลำบากกว่ามากในทางด้านความสบายคือสัตว์ที่สบายกับมนุษย์ที่สบายความสบายของมนุษย์ย่อมสูงกว่าประนีดกว่าและมากกว่าพวกสัตว์ที่ถูกจองจำโดยมนุษย์ต้องอดอาหารอดน้ำไม่สมปรารถนาไปเสียทุกอย่างจะได้ร้รองความเห็นใจอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่เขาจะปรานีคิดดูเิดจะทรมานแค่ไหน และดูมันจะถูกจองจำอย่างนั้นไปตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นวัวควายและมา้าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยกูสุลกรรมมนุษย์จึงควรตั้งใจรักษาสถานะของตนไว้อย่างให้ตกต่ำไปอีกพยายามให้ก้าวสูงขึ้นไปทุกๆุกชาติจนหมดชาติสิ้นชาติคือขีนาชาติ ส่วนประการที่สองที่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นของยากนั้นมองเห็นได้ง่ายมองดูความดิ้นรนของมนุษย์สมัยปัจจุบันก็พอเห็นดูมันจะเห็นได้มากกว่าคำบรรยายใดๆเสียอีกเพราะมันตําหูตําตาอยู่ทุกวันสมัยนี้การทํานาค้าขายทําไร่ทําสวนเป็นครูอาจารย์ข้าราชการประจําหรือการเมืองลําบากทั้งนั้น การทำงานต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อความเป็นอยู่เพื่อเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวสมัยนี้คนสุจริตน้อยความเป็นอยู่ของมหาชนจึงลำบากมากขึ้นสมัยใดคนสุจริตมากการครองชีวิตก็สบายขึ้นความสุจริตและไม่สุจริตเป็นจักรกลสาคัญในความสุขสบายหรือความทุกข์ของมหาชนแต่ผู้บริหารประเทศและผู้ปกครองบ้านเมืองมักมองข้ามปัญหานี้ไปเสีย มัวไปแก้ที่ปลายเหตุจึงไม่ได้ผลตามต้องการในสมัยที่ของแพงเงินตรามีราคาน้อยสิ่งยั่วยวนความอยากของคนมีมากคนส่วนมากมีความไม่พออยู่ในใจจนดับไม่ได้ใครทําท่าจะดับหรือต้องการดับความอยากอันโพร่งอยู่เสมอเพื่อความสงบสุขของชีวิตบ้างสังคมก็ตราหน้าว่าเป็นคนไม่มีเกียรต ไม่มีความทะเยอทะยานอันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันแม้แต่ลูกเมียก็ไม่ให้ความนิยมนับถือเมื่อสิ่งแวดล้อมบีบรัดเข้าเช่นนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนต่อไปต้องกระหืดกระหอบต่อไปต้องวิ่งทำมาหากินบริโภคกามและสแสวงหาเกียรติเกียรติที่คนในสมัยนี้สมยอมพร้อมใจกันยกให้ และเหมือนจะตั้งเป็นกฎของสังคมทีเดียวว่าคนมีเกียรติต้องมีตำแหน่งทางราชการดีหรือตำแหน่งสูงต้องมีรถยนต์ราคาแพงๆต้องหรูหราฟูมเฟืยปลูกบ้านเพื่ออวดคนไม่ใช่เพื่ออยู่กินข้าวพัตคารชั้นดีมือละ 200-300 หรือมากกว่านั้นมีเพลงให้ฟังมีนักร้องสวยๆนุ่งน้อยใส่น้อยให้ดูอะไรทานองนี้ สิ่งเหล่านั้นจะได้มาโดยวิธีใดช่างหัวมันขอให้ได้มาก็แล้วกันคนทั้งหลายมองดูที่ผลต่างหากไม่มีใครอยากจะสาวไปหาเหตุว่าเขาได้มาโดยวิธีใดทุจริตชอบโกงใครมาบ้างชาวนาชาวสวนถูกโกงแรงงานครูอาจารย์ที่สุจริตต้องทนอยู่ในสังคมด้วยความผู้อึดผู้โอมพระอิดพระอาต้องเจียมตัวเพราะไม่รวยจึงไม่มีเกียรติ เข้าสังคมกับพวกผู้ดีเขาไม่ได้วงเล็บผู้ดีใหม่ชีวิตคือความเป็นอยู่ของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากซับซ้อนขึ้นทุกวันสาเหตุมาจากการขาดแคลนพ ร, รมในหัวใจขาดความยุติธรรมในสังคมช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนจึงมีมากเกินไปน่าอันตรายประการที่สที่ว่าการได้ฟังพระธรรมเป็นของยากนั้น มีความสัมพันธ์กับประการที่สอยู่คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทรงแสดงพระสธรรมพระสธรรมจึงจะมีขึ้นธรรมส่วนมากที่คนแสดงกันก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมักเป็นธรรมปลอมเจือด้วยมณฑินแฝงอยู่ด้วยผลประโยชน์ของผู้บัญญัติธรรมและแสดงธรรมธรรมนั้นจึงไม่บริสุทธิ์ ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นได้ตัดสรุปธรรมตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงธรรมนั้นแก่เวนัยนิกรคนผู้มีอุปนิสัยมีปัญญาบา ร, รมีฟังแล้วลองปฏิบัติตามก็ได้รู้ได้เห็นสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงแน่ใจว่าพระธรรมของพระองค์เป็นของบริสุทธิ์เป็นสวากขาตธรรมซึ่งแปลว่าตรัดบอกไว้ดีแล้วถูกต้องแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ทรงแสดงพระธรรมอยู่คนที่มีโอกาสได้ฟังก็มีน้อยบางคนอยู่ไกลเกินไปบางคนอยู่ใกล้แต่ไม่สนใจมัววุ่นวายอยู่กับการฆ่าหมูฆ่าวัวยิงนกตกปลาตามเรื่องของเขาเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระสาวกผู้ชำนาญเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมก็มีน้อยการได้ฟังพระสธรรมก็ยากมากขึ้น มาถึงสมัยปัจจุบันผู้เฉพาะในเมืองไทยอันรู้กันทั่วโลกว่าเป็นเมืองพุทธศาสนามีพระสงฆ์ไม่น้อยกว่าสองแสนรูปผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาบวชปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่บวชตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสามเณรไดอุปสมบทและอยู่ในเพศภิกษุไปตลอดชีวิตก็มากแต่ผู้มีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมมีน้อยน้อยเกินไปไม่สัมพันธ์กัน คือไม่สมส่วนกับจํานวนพระที่มีอยู่มากถึงขนาดนั้นบางท่านแสดงได้แต่ไม่แสดงพระสัทธรรมล้นล้วนเสียอีกมักมีอย่างอื่นปนเพื่อผลประโยชน์เป็นลาบสการะชื่อเสียงและความนับถือบ้างเพื่อเอาใจคนเสียบ้างจึงปนอสธรรมเข้าไปกับพระศัทธรรมเหมือนเอาหินก้อนเล็กๆปนเข้าไปในถั่วเขียวเพื่อให้น้ําหนักมากเมื่อช่าง สัธรรมปฏิรูปคือทมปลอมเกิดขึ้นด้วยประการชนีในปปัญจสูทนีท่านจำแนกพระสัตธรรมไว้สาคือปริยัติสัตธรรมหนึ่งปฏิปฏิสัตธรรมหนึ่งปฏิเวทธรรมหนึ่งปริยัติสัตธรรมนั้นคือพระพุทธวจนะทั้งหมดโอวาทของพระเทระเทรี คำสอนอันเป็นธรรมของพระสาวกทั้งปวงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์เป็นต้นนั้นเรียกว่าการศึกษาปริยัติสัตธรรมป ฏ, ปฏิปฏิสัตยธรรมนั้นคือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ปฏิเวทสัตธรรมนั้นคือการบรรลุผลตามสมควรอันเป็นผลของการปฏิบัตินั้นเมื่อจะเสื่อมท่านว่าปริยัตินั้นเสื่อมก่อน เมื่อปริยัติเสื่อมปฏิบัติก็เสื่อมลงตามเมื่อปฏิบัติเสื่อมปฏิเวทก็เสื่อมลงเหมือนกันปริยัติสตย์ธรรมเหมือนรากของต้นไม้เมื่อรากเสียแล้วลำต้นกิ่งใบผลก็ไม่อา จ, จเจริญงอกงามได้คำว่าปริยัติสตย์ธรรมต้องตีความลงไปที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา ไม่ใช่การเรียนอย่างกว้างขวางแต่ห่างไกลศินสมาธิปัญญาออกไปออกไปจนกำหนดไม่ได้ว่าห่างไปเท่าไหร่แล้วในสมันตะภาษาธิกากล่าวถึงปริยัติสอย่างไว้ว่า 1. ปริยัติที่เปรียบเหมือนงูพิษคือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้เอาไว้โต้เถียงกันเอาไว้ ย, ยกตนข่มผู้อื่นว่าเก่งกว่าเขา ไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนทาเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคไม่ได้ดื่มนมโครปริยัดอย่างนี้ย่อมให้โทษแก่ผู้เรียนเหมือนจับงูพิษทางหางงูมันเอี้ยวตัวมากัดผู้จับที่มือหรือที่แขนให้ถึงตายหรือปางตาย 2. ปริยัิเพื่อสลัดตนถอนตนออกจากวัตะบาลีว่านิสระณะปริยัิ คือการศึกษาเพื่อรู้ตามเป็นจริงเพื่อนําความรู้นั้นไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพื่อกําจัดกิเลส 3. ามปริยัติที่เปรียบดุดขุนคลังบาลีว่าพันธาคาริกปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนของพระอรหันต์ไม่ต้องทํากิจในการกําจัดกิเลสแล้วแต่เรียนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนขุนคลังรักษาของไว้เพื่อความสะดวกสบายของผู้อื่น ผู้ศึกษาปริยัตต์ต้องระวังไม่ให้การเล่าเรียนของตนเป็นงูพิษขึ้นมาประการที่สที่ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนั้นอธิบายว่าพุทธภูมิมีบา ร, รมีเป็นสิ่งสูงต้องใช้เวลานานต้องบำเพ็ญกันมากด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวไม่ท้อถอยมุ่งโพธิญาณอย่างเดียวต้องบำเพ็ญบา ร, รมีเป็นแสนแสนกับด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ในโลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นจะเห็นว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากเพียงไรเพียงแค่อรหัต ภ, ภูมิก็บรรลุได้โดยยากเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงพุทธภูมิความยากสี่อย่างดังพัณ น, นามานี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพราะปรารบนาคชื่อเอล ก, กปัปต์วงเล็บใบตะไคร่น้ามีเรื่องย่อดังนี้ ในศาสนาแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งนั่งเรือไปในแม่น้ำคงคาจับใบตะไคร้น้ำกอหนึ่งเมื่อเรือแล่นไปโดยเร็วก็ไม่ปล่อยใบตะไคร้น้ำนั้นขาดเธอไม่ได้แสดงอาบัติเพราะคิดว่าเป็นเพียงอาบัติเล็กน้อยแม้จะทำสมณธรรมอยู่ในป่าถึงสองหมื่นปีก็ไม่อาจป้องกันได้ เมื่อถึงมรณะสมัยเขามีความรู้สึกเหมือนมีใบตะไครน้ำมาพันคออยู่จะหาเพื่อนร่วมพรหมจรรย์แสดงอาบัติก็ไม่ได้เพราะอยู่ผู้เดียวในป่าเขาทำกาลละด้วยจิตที่วิปฏิสารคือความเดือดร้อนเพราะระลึกถึงกรรมของตนจติจากกัตภาพนั้นแล้วเกิดเป็นพระยานาคมีกายประมาณเท่าเรือโกรนชื่อว่านาคเอรกปั เมื่อเกิดแล้วพระยา น, นาคมองดูอัตภาพของตนแล้วมีความร้อนใจว่าเราบำเพ็ญสมณธรรมมานานถึงสองหมื่นปีเมื่อตายลงมาบังเกิดในกำเนิดดิลฉานมีกบเป็นพักษามีกำเนิดแห่งอาเหตุุกษัตริย์พระยา น, นาคเสียใจมากสุดจะพร น, นาได้ต่อมาเขาได้ทิดาคนหนึ่งได้ให้ทิดาอยู่พังพานลอยตัวอยู่ในแม่น้ำคงคา ให้ทิดาฟ้อนรำขับร้องเพลงปริสนาด้วยหวังว่าหากใครสามารถตอบปัญหานี้ได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วผู้ตอบจะต้องได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเพราะปัญหาของเขาเป็นปัญหายากเหลือวิสัยของคนธรรมดาเขาประกาศว่าใครแก้ปัญหาได้จะมอบธิดาและนาคพิภพให้ทุกวันอุโบสถคือทุกๆุกสิบห้าวัน เขาวางทิดาไว้บนพังพานให้ขับเพลงปิิศนาว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเสียรอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุรีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพานประชาชนชาวชมพูทวีปต้องการนาคมานวิกาและนาคพิภพจึงพากันมาขับเพลงแก้ แต่ไม่มีใครแก้ถูกเป็นที่พอใจของพระญาณาคและธิดาถึงกระนั้นนางก็ยืนฟ้อนและขับเพลงปิิศนาอยู่บนพังพานของบิดาทุกๆ ก, กึ่งเดือนโดยทํานองนี้พุทธันดรนหนึ่งล่วงไปแล้วคําว่าพุทธันดรนหนึ่งแปลว่าการที่ว่างจากพระพุทธเจ้าหรือระหว่างพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาขยายความว่า เมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งสิ้นสุดลงก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตรัสรู้เวลานั้นเป็นช่วงว่างอยู่นานช่วงนี้แหละท่านเรียกว่าพุทธันดรจนกระทั่งพระโคดมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัต ท, ที่พระองค์พอจะโปรดได้ตามพุทธประเพณีทรงเห็นมานบชื่ออุตระ เข้าไปในข่ายคือพระยานของพระองค์ทรงใคร่ครวญดูทรงทราบด้วยพระยานว่าวันนี้เอรละกปัตตะนาคราชตั้งทิดาไว้บนพังผานให้ขับเพลงปริศนาอุตระมานบจกได้เรียนเพลงขับแก้จากเราแล้ววันุโสดาปฏิผลไปแก้ปัญหาของนาคราชนาคราชรู้ความที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วจักมาหาเรา พระศาสดาเสด็จไปดักอุตรมานบประทับนั่งณโคนต้นศึกใหญ่ใกล้เมืองพระณสีชาวชมพูทวีปเตรียมเพลงขับแก้มาประชุมกันมากพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุตรมานบ ก, กำลังเดินไปจึงตัดเรียกเข้ามาหาตัดถามว่าทราบเพลงขับตอบดีแล้วหรือเมื่อมานบทูลตอบว่าทราบแล้วพระองค์ให้ลองขับให้ทรงสดับ ทรงทราบว่านั่นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจึงตรัสบอกคำตอบที่ถูกต้องให้อุตรมานบเรียนเพลงขับจากภาษาสดาอยู่นั่นเองได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาขอโอกาสมหาชนเข้าไปแก้ปัญหาเมื่อนากมานวิกาถามว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชา อย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุรีบนพระเสียนอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพาลอุตรมานะ ก, กล่าวตอบว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าเป็นพระราชาพระราชาผู้กำหนัดชื่อว่ามีธุลีบนพระเสียนผู้ไม่กำหนัดชื่อว่าปราศจากธุลีผู้ยังกำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนพาล นาคมานวิกาถามว่าคนพาลอันอะไรเ อ, อ่ยย่อมพัดไปบันดิตบันเทาได้อย่างไรอย่างไรเรียกว่าเป็นผู้ปลดโปร่งจากโยคะเราถามแล้วโปรดตอบคำถามของเราอุตรมานปตอบว่าคนพาลอันห่วงน้ำวงเล็บคือการเป็นต้นย่อมพัดไปบันดิตย่อมบันเทห่วงน้ำคือโอคะ นั้นด้วยความเพียรบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องผูกมัดทั้งปวงท่านเรียกว่าปลอดโปร่งจากโยคะเมื่อน่าคราดฟังเพลงตอบของอุตรามานบจบลงดีใจเป็นนักหนาด้วยแน่ใจว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอุทานออกมาว่าตลอดพุทธันดรหนึ่งเราไม่เคยได้ฟังธรรมบทเห็นปานนี้เลย ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วเอาหางฟาดน้ำด้วยความดีใจสุดห้ามเข้าไปหาอุตรมามนบแล้วถามว่าบัดนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ใดเมื่อทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบชวนอุตรมามนบนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามหาชนชาวชมพูทวีปได้ติดตามไปด้วยเป็นอันมาก นาคราชเข้าไปสู่พระสัพพนรังสีของพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระาศาสดาตรัสถามอะไรการมหาบอพิษจึงแถลงความในใจตนว่าข้าแต่พระโล ก, กนาฏข้าพระพุทธเจ้าเคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์นี้และในาศาสนาของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญสมณธรรมมาสองหมื่นปี แต่สมณธรรมนั้นมีอาจช่วยข่าพระองค์ให้พ้นจากอบายได้ข้าพระองค์ได้กระทำเหตุสักว่าทำใบตะไคร่น้ำนั้นขาดเท่านั้นต้องมาถือปฏิสนธิในกาเนิดแห่งอาเหตุตุกษัตริย์ไปด้วยการเลื้อยคลานไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์มาตลอดพุทธทันดรหนึ่งพระโลกกันนาทรงสดับแล้วตรัสว่า การกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตคือความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการได้ฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้เป็นของยากในการจบพระธรรมเทศนาคนเป็นอันมากได้บรรลุมรรคผลแต่น่าคราชไม่ได้บรรลุเพราะภาวะแห่งเดรัจฉานกางกัน้นไวแต่ถึงกระนั้นก็ได้พ้นจากความลำบาก5อย่างคือ การปฏิสนธิการลอกคราบการก้าวลงสู่ความหลับอย่างสัตว์เลื้อยคลานเสพเมถุนกับนางนาคและการจุติเขาได้อัตภาพเป็นหนุ่มน้อยคือไปได้ด้วยเพศแห่งมนุษย์เขาพ้นแล้วจากความลำบากห้าอย่างที่พวกนาคด้วยกันลำบากอยู่เพราะอานิสงส์ที่ได้มาพบพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมของพระองค์นี่เีย ว, ว่า สิ่งเล็กๆน้อยๆประมาทไม่ได้เลยด้วยสภาวะจิตใจนี้เป็นของละเอียดอ่อนถ้าคิดว่าเล็กน้อยแต่ความรู้สึกทางด้านจิตใจมันไม่เล็กน้อยแล้วเนี่ยสาพูะพทธเจ้าท่านเจงตัดว่าให้เห็นโทษโดยมีประมาณน้อยเพราะจากน้อยถ้าว่าไม่เห็นโทษแล้วมันก็สามารถสั่งสมให้ใหญ่ได้เนี่ย แค่ประมาดนิดเดียวดังเรื่องภิกษุนี้บำเพ็ญสมาธรรมทั้งสอง0มืนปีก็ยังพลาดได้นี่พระเซยวินาทีสุดท้ายนี่มันแวบมามันไม่ได้เลยเนี่ยยังมีเรื่องภิกษุในสมัยพุทเจ้าของเราเ่ที่ไปเป็นเลนเป็นเลนเกาะจีวรอยู่ตั้งเจ็ดวันก่อที่จะกลับไปสวยสุขตามที่ตนบำเพ็ญกุศลธรรม นี่เล็กๆน้อยๆแต่มันก็กางกั้นได้เหมือนกันท่านยังพมาเหมือนกับโคถึกหรือโคแก่เนี่ยถ้ามานอนขวางอยู่ตรงประตูนี่แม้โคหนุ่มทั้งหลายนี่จะออกมาก็ออกมาไม่ได้ถ้าโคแก่นี่ไม่ออกก่อนเนี่ยท่านเปรียบอกุศลกรรมก็เช่นเดียวกันนถ้ามันเราทาดีมาตลอดเนี่ย แต่บั้นปลายเรามาทําความไม่ดีเอาไว้ความไม่ดีมันก็เลยมันก็ไปขวางประตูเอาไว้เรียกว่าขวางประตูสวรรค์เนี่ยปิดประตูเอาไว้มันต้องดึงไปทางนารกก่อนจนกระทั่งว่าหมดกรรมตัวนั้นถึงจะได้ไปสวรรค์ที่ตนได้กระทําเอาไว้อัไนก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราจะประมาทว่าเล็กน้อยไม่ได้โดยเฉพาะอาคุศลกรรม ความดีก็เช่นเดียวกันพระองค์ตรัสว่าความดีก็อย่าประมาทว่าเล็กน้อยเพราะความดีนี้เสี้ยววินาทีเดียวนี้ก็ปิดอบายได้เหมือนกันเนี่ยบางคนในสังสมบุศลกรรมเนี่ยแต่บั้นปลายของชีวิตได้มิตรที่ดีจะเรียกว่ากัญญาณมิตรแนะนําจิตให้เพลิดเพลินในธรรมเนี่ยได้เพลินในธรรมได้อารมณ์ที่ดีก็ยังไปสวรรค์เนี่ยจะเรียกว่าไปสุขคติตด้เนี่ย สมกัพาสิทธิวายาประมาทในกุศลว่าเล็กน้อยเราก็อย่าประมาทในอกุศลว่าเล็กน้อยเหมือนกัน 4. คําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธภาสิทธ์อันนี้เราคุ้นเคยดีสัพพปาปัสสะาการนังกุสรสูปัสสัมปทาสจิตต ะ, ะ, ะประโยชนทปนังเอตังพุทธานาสาสนังขันติปรมังตโปตีติกขานิพานังปรมังวัฏฐานิพุทธา นหอิปปภชิตโตป ร, รูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโตอนุปคาโตปาติโมเคจะสังวโรมัตัญยุตาจะพัตตสมิมิปันตัญจะสยาาสนังอิจิตเตจะอาโยโโคเอตังพุทธานสาสนังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ่วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตีติขาคันติเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดผู้ที่ยังเบียดเบียนเค้นฆ่าผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตหรือสมณะเลยการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าหนึ่งการสำรวมในปาติโมกหนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่ง 6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขยายความในการอธิบายเรื่องนี้ขอกล่าวถึงสประเด็นแรกก่อนแม้จะมีคำอธิบายที่ดื่ออยู่แล้วในชื่อว่าหลักพระพุทธศาสนาบ้างหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาบ้างก็ตามความชั่วคืออะไรยากที่จะวินิจฉัยให้แน่นอนลงได้ ทำนองเดียวกันความดีคืออะไรยากที่จะให้คําจํากัดความปัญหานี้กว้างขวางเกินที่จะให้คําจํากัดความให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้ให้ได้ก็เพียงปริยายหนึ่งปริยายใดที่ท่านเรียกว่าปาริเสสนัยคือยังมีนัยยะอื่นๆอีกยังมีอัดอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นเรากล่าวการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความดีเช่นการให้เป็นความดี เราแน่ใจหรือว่าการให้ทานเป็นความดีเสมอไปในทางชั่วถ้ามีคนกล่าวว่าการฆ่าเป็นความชั่วเราแน่ใจหรือว่าการฆ่าเป็นความชั่วเสมอไปเพราะฉะนั้นจะให้คําจำกัดความความดีความชั่วอย่างไรก็ต้องมีอะไรเล็ดรอดให้แย้งได้อยู่เสมอเป็นปัญหาพื้นฐานหรือจริยศาสตร์ ทางเดียวที่จะตัดปัญหานี้ให้น้อยลงก็คือกล่าวว่าความชั่วก็คือความชั่วความดีก็คือความดีเหมือนสีดำก็คือสีดำสีขาวก็คือสีขาวคนที่ไม่เคยเห็นสีเหลืองท่านจะอธิบายอย่างไรให้เข้าใจสีเหลืองได้นอกจากท่านจะเอาวัตถุบางอย่างที่มีสีเหลืองแล้วชี้ให้เขาดูว่านี่แหละคือสีเหลืองละในทางปฏิบัติ ในเบื้องแรกผู้ใคร่ในธรรมเมื่อรู้ว่าสิ่งใดชั่วก็เว้นสิ่งนั้นเสียก่อนรู้ว่าสิ่งใดดีก็ทำสิ่งนั้นเท่านี้ก็พอส่วนมากทำไม่ค่อยได้รู้สิ่งชั่วตั้งร้อยอย่างแต่เว้นได้เพียงอย่างเดียวรู้สิ่งดีตั้งพันอย่างแต่ทำได้เพียงห้าหอย่างนอกจากนี้ยังทำได้ไม่สม่ำเสมอเสอีกทำได้เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้นความชั่วเป็นสิ่งน่ากลัว เพราะให้ผลเป็นทุกข์ทุก์ทั้งตัวผู้ทาเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่พี่น้องอุปชาอาจารย์เป็นต้นท่านเหล่านั้นร้อนใจอับอายเสียใจเมื่อรู้ว่าลูกหรือสิทธิ์ไปทำความชั่วตรงกันข้ามความดีให้ผลเป็นสุขสุขกายสบายใจทั้งแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นบารดาบิดาเป็นต้น เพียงเท่านี้ความชั่วก็หน้าเวนความดีน่าธรรมเสแล้วไม่ต้องพนณนาอานิสงมากถ้ายังไม่เชื่อก็ลองทำดูจะเห็นเองความดีมีอนุภาพอยู่อย่างหนึ่งคือให้ความสุขใจแก่ผู้ทาความสุขนั้นหล่อเลี้ยงดวงใจอยู่ย่อมทำให้ดวงใจนั้นใคร่ทำความดีซ้ำอีกและซ้ำอีกความดีก็พอกผูนขึ้นทุกทีจนอิ่มอยู่ด้วยความดี อะไรจะชักจูงไปทางชั่วได้ยากความสุขใจนั้นเป็นคุ้มทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์จริงหรือไม่สมมุติว่าเทพประธานพรให้ท่านร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกมีกำลังบังชาดีไม่เจ็บไข้แต่เทพบอกว่าเมื่อท่านได้สองสิ่งนี้แล้วท่านจะต้องสูญเสียไปอย่างหนึ่งคือความสุขใจท่านจะต้องกลุ่มใจอยู่ตลอดเวลาท่านจะเอาหรือไม่ สมมุติต่อไปว่าท่านไม่เอาเทพก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะคืนความสุขให้แก่ท่านแต่ท่านต้องสูญเสียสองอย่างคือความร่ํารวยเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกและท่านต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมดาของสังขารท่านจะว่าอย่างไรจะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาเข้าใจว่าคนส่วนมากที่ยังมีสติดีอยู่ย่อมจะเลือกเอาความสุขใจอันหนึ่งคนจะเว้นชั่วทำดีให้ได้ สม่ำเสมอก็ต่อเมื่อใจผ่องใสไม่มีเรื่องวุ่นวายรบกวนคนใจเศร้าหมองทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากใจเศร้าหรือผ่องแพ้วจึงเป็นเหตุโดยตรงของการทำชั่วหรือทำดีวิธีทำใจให้ผ่องแพ้วนั้นมีหลายระดับพูดอย่างย่อๆเท่าที่พอนึกได้เวลานี้สามอย่างคือหนึ่งอารมณ์ขัน มองเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในแง่ขันเสียเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่เป็นเรื่องยิ่งสร้างอารมณ์ขันได้มากชีวิตก็สดชื่นได้มากดูมันน่าขันไปสมดทุกสิ่งหรือทุกเรื่อง 2. ให้อภัยนึกว่าคนอย่างนั้นก็ต้องเป็นคนอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรสมมติว่าเราจะโกรธคนรับใช้ พอทำอะไรไม่ได้ดังใจเราก็นึกเสียว่าแกเป็นเพียงคนรับใช้จะเอาสติปัญญาความสามารถสักเพียงใดเที่ยวถ้าสติปัญญาความสามารถแกสูงเทียมความคิดของเราแกจะมาเป็นคนรับใช้เราทำไมแกใช้เราเสียไม่ดีกว่าหรือท่านเจ้าคุณจะดุเนนสักทีถ้านึกทันว่าแกเป็นเพียงเนนบวชมาสองสาปีอายุยังน้อยอารมณ์ก็คึกขนองอย่างเด็กวัยรุ่นนั่นแหละ แกรู้สึกตัวว่าห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ดีถมเถไปแล้วแล้วก็ค่อยอบรมสั่งสอนกันไปท่านเนนจะนินทาท่านเจ้าขุนบ้างเพราะอะไรก็ตามใจพอคิดเสียว่าท่านแก่แล้วก็จู้จี้ขี้บ่นไปตามเรื่องอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบและอยากให้เราดีเพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพอให้อภัยท่านได้เรื่องบุตรภรรยาและสามีก็เหมือนกันการให้อภัยและ รู้ซึงถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านจึงว่าการรู้ทุกอย่างเป็นการให้อภัยทุกอย่าง 3. การปล่อยวางหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการทำใจให้ผ่องใสความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกอย่างไรความไม่ยึดมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ทุกอย่างนั้น เมื่อไม่มีทุกข์จิตใจก็ผ่องใสชื่นบานความผ่องแผ้วชื่นบานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบความสุขความยึดมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานความไม่ยึดมั่นเรียกว่าอนุปาทานอุปาทานนั้นท่านจําแนกไว้าสคือ 1. ยึดมั่นในกามเรียกว่ากามุปาทาน 2. ยึดมั่นในทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐุปาทาน 3. ยึดมั่นในศีลและวัดเรียกว่าศีลลพตุ ป, ปาทาน 4. ยึดมั่นในตัวตนเรียกว่าอัตวาทุ ป, ปาทานกามคือรูปเสียงปิ่นรสโผลทพะอันหน่าใคร่หน้าปรารถนาทิฏฐิคือความเห็นโดยเฉพาะความเห็นผิดเรียกอย่างเต็มว่ามิจฉาทิฏฐิศีลและวัดคือความยึดมั่นในความประพฤติผิดผิดที่ไม่มีทาง นำตนออกไปจากทุกได้เลยยิ่งประพฤติยิ่งดิ่งลงไปในกองทุกข์ตัวตนคือความยึดมั่นว่านี่ตัวเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราการประพฤติพรหมจรรย์นในาศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจุดสุดยอดคืออนุปาทานปรินิพานคือความดับอุปาทานทั้งสี่ดังกล่าวมาทางเดินให้ถึงความดับอุปท า, านดังกล่าวคือมัสมีองแปด มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาส ม, มาธิเป็นปริโยสารท่านจะเห็นว่าหลักสามประการคืออารมณ์ขันการให้อภัยและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้สองประการแรกเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญทำได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปส่วนประการที่สามความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นทำได้ยากต้องอาศัยการฝึกจิตอยู่เสมอจนคุ้นกับการปล่อยวาง เมื่อคุณแล้วก็จะกลายเป็นคนทําได้ง่ายจิตผ่องใสเป็นสิ่งที่ควรต้องการอย่างยิ่งในชีวิตการทำวิปัสสนากรรมฐานและสมถกรรมฐานก็เป็นทางสําคัญอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความผ่องใสแห่งจิตจะกล่าวในหัวข้อว่าด้วยอธิจิตตาโยคะข้างหน้าข้อว่าตีติขาคันติเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นมีอธิบายดังนี้ ก่อนอื่นเพิงทราบถึงขันติสประการก่อนคือหนึ่งทีติขันติท่านหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนหิวกระหายทนต่อความตรากตำํำทำงานหนักต่างๆหนักเอาเบาสู้อดทนอย่างไม่ปริปากบน่นที่โบราณท่านว่ากัดฟันทนคนกัดฟันพูดไม่ได้ท่านว่า ให้กัดฟันทนหมายความว่าให้อดทนโดยไม่บน่นสองอธิวาสนะขันติอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บป่วยข้อนี้ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็งมีกาลังทางแพทย์บอกว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายากำลังใจสำคัญที่สุดในการรักษาโรคบางคนสามารถรักษาโรคร้ายให้หายได้ด้วยกาลังใจอย่างเดียว คนมีบาดแผลเช่นถูกแทงถูกฟันเขาว่าถ้ากำลังใจดีจะตายยากมากส่วนคนที่เสียกำลังใจถูกบาดแผลเล็กน้อยก็อาจตายเอาง่ายง่ายาตีติดขาขันติอดทนต่อความเจ็บใจต่ออารมย์ยั่วยวนต่างๆทั้งทางพอใจคืออิทธารมและไม่พอใจคืออนิจจารม รักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหกในโลกกะระทาแปดขันติอันนี้แหละเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นคุณธรรมเครื่องเผาบาปให้ร่าร้อนทำบาปให้อยู่ไม่ได้ข้อว่าพระพุทธ เ, เจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดนั้นมีอธิบายดังนี้พระนิพพานแปลว่าการดับคือดับกิเลสตัณหาแปลว่าออกจากเรื่องร้อยรัดเสียบแผง คือออกจากตัณหานั่นเองเมื่อดับตัณหาได้ดับกิเลสทั้งมวลได้อาการ ร, าร้าเรอนทางจิตใจก็ไม่มีถึงความดับสนิทหมดทุกหมดร้อนหยุดการเวียนว่ายตายเกิดวงล้ออันธารุนของวัตตะก็หยุดหมดเรียกว่าได้เดินทางไกลถึงแล้วไม่ต้องเดินอีกนิพพานจึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาข้อว่าผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรปะชิต ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนั้นอธิบายว่าบรรพชิตแปลว่าผู้ลอยบาปเว้นบาปสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วคือสงบจากบาปการเบียดเบียนทําร้ายผู้อื่นถือว่าเป็นบาปเมื่อยังเบียดเบียนอยู่ชื่อว่ายังมีบาปยังวุ่นวายไม่สงบจึงเป็นบรรพชิตหรือสมณะไม่ได้ความบริสุทธิ์เหินห่างจากบาปและความสงบ เป็นคุณลักษณะสำคัญของบรรพชิตในาศาสนาทั้งปวงทำอีก6ประการคือการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในพระปาฏิโมกหนึ่งความพอประมาณคือรู้ประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงบหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิต1เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ประการที่ 1. ส่งสอนให้เว้นการเบียดเบียนทางวาจาประการที่สองให้เว้นการเบียดเบียนทางกายประการที่สให้เว้นการเบียดเบียนทั้งทางกายและวาจาประการที่สให้เว้นจากการเบียดเบียนตนเพราะบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปประการที่5และที่6ให้เพิ่มพูนความสุขกายสบายใจแก่ตนด้วยการอยู่ในที่สงัดและประกอบความเพียรทางจิต จะกล่าวขยายความในประการที่สี่ห้าและหกโดยย่อการบริโภคอาหารนั้นในพระพุทธศาสนาถือว่าให้บริโภคเพียงเพื่ออยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำคุณงามความดีใส่ชีวิตไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อความติดในอาหารมีปกติเห็นโทษมีปัญญาในการสลัดออกจากพบอยู่เสมอความพอประมาณ คือรู้ประมาณคือไม่ให้น้อยเกินไปจนร่างกายอ่อนเพลียและไม่มากเกินไปจนอึดอัดบริโภคเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าคือความหิวระวังไม่ให้เวทนาใหม่คือความอึดอัดเกิดขึ้นภูรานันจะเวทนาังปฏิหังขามินะวันจเวทนาังนะอุปาเทศสามิพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลอยู่เสมอ อาหารทั้งปวงทั้งอร่อยไม่อร่อยมันก็กลายเป็นเลือดเนื้ออุจจระปัสสวะเท่านั้นของเหล่านั้นก็ปฏิกูลโสโครกอยู่ในตัวของมันเองมีกลิ่นเหม็นขาวอยู่โดยปกติท่านว่าการบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทำให้เกิดโรคได้หลายอย่างเช่นโรคขาดอาหารโรคอ้วนเกินไปโรคอื่นๆอีกมากความพอประมาณในอาหารทาให้ร่างกายกระปี้กระเป๋า เบาสบายจิตใจเป็นสมาธิได้เร็วการนั่งนอนในที่สงัดเป็นปัจจัยให้ได้วิเวกอย่างน้อยคือกายวิเวก ค, ความสงัดทางกายไม่คุกคลีด้วยโมคณะกายยวิเวกเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้จิตตวิเวก ค, ความสงัดจิตทรงหมายเอาจิตที่ได้ฌานพลันนิขึ้นไปตามลำดับชั้นจิตตวิเวก ค, ความสงัดจิตเป็นปัจจัยหนุนเนื่อง ให้ได้อุปทิวเวก ค, ความสงัดจากกิเลสทั้งมวลหมายเอาพระนิพพานการอยู่ในที่สงัดมีอานิสง์ดังกล่าวมาอย่างไรก็ตามในพระบาลีบางแห่งทรงแสดงแก่ภิกษุว่าภิกษุจะอยู่ผู้เดียวในที่ใดก็ตามหากจิตยังดิ้นรนไฝ่หาอารมณ์อันงามอยู่ยังมีตันหาอยู่ชื่อว่ามีเพื่อนคือตันหา ภาษาบาลีวะตัณหาทุติโยปุริโสข้อว่าอธิจิตตาโยคะคือการประกอบความเพียรทางจิตนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานหรือภาวนาท่านแสดงไว้สองวิธีคือ 1. สมถกรรมฐานหรือสมถภาวนา 2. วิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนา รรมวพิภาคปริเชษที่สองของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิระยานวโรรสอธิบายโดยย่อว่ากรรมฐานเนื่องด้วยบริกรรมไม่เกี่ยวกับปัญญาจัดเป็นสมถกรรมฐานกรรมฐานเนื่องด้วยทัศนะทางใจในคติของธรรมดาปรารพสภาวะธรรมและสามัญลักษณะจัดเป็นวิปัสนากรรมฐานรวมความว่ากรรมฐานที่ทาให้ใจสงบเรียกสมถะ กรรมฐานที่ทําให้เกิดปัญญาเรียกวิปัสสนาทั้งสองเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบและสว่างกรรมฐานทั้งสองอย่างนอกจากจะเป็นยาแก้กิเลสในใจแล้วยังมีส่วนช่วยสุขภาพทางกายให้ดีด้วยสุขภาพทางจิตและทางกายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกวงเล็บข้อนี้ยกเว้นพระอรหันต์ซึ่งแยกจิตออกจากกายได้แล้วแม้ร่างกายจะป่วยอยู่ ก็หาทำให้จิตท่านกระวนกระวายไม่มีคนจำนวนไม่น้อยเป็นโรคทางกายซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สบายใจพอใจสบายโรคนั้นก็หายพออารมณ์แจ่มใสขึ้นอาการปวดท้องปวดหัวก็หายไปโรคอย่างนี้ไม่มีอาการทางกายโดยตรงหากตรวจร่างกายแพทย์จะบอกว่าไม่มีโรคอะไรเพราะตรวจไม่พบอะไรทางกายที่เป็นเหตุให้ปวดหัวหรือปวดท้อง โรคอย่างนี้ต้องรักษาโดยวิธีทําจิตให้สงบหรือผ่องแผ้ววิธีที่ได้ผลที่สุดในการทําจิตให้สงบและผ่องแผ้วก็คือสมถะหรือพิปัสนากรรมฐานทั้งสงบผ่องแผ้วและรู้เท่าทันรู้เท่าทันอะไรรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมรู้เท่าทันโลกธรรมแปดและความเปลี่ยนแปลงแปรผันของวิถีชีวิต ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันชาวโลกรวมทั้งบงการแพทย์ด้วยพยายามสแสวงหายาอายุวัฒนะกินแล้วทำให้อายุยืนแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นคือความเหนื่อยใจความวิตกกังวลต่างๆอันเกิดจากอารมณ์กิเลสคนยิ่งมีกิเลสมากคุกคลีกับกิเลสมากยิ่งตายเร็วไม่มียาอะไรแก่โรคนี้ได้นอกจาก พุทธธรรมคือสมถะและวิปัสนาแต่ดูเหมือนว่าบัดนี้แพทย์สมัยใหม่ได้ตระหนักอย่างดีแล้วว่าจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นโรคหรือไม่เป็นวงเล็ยบยกเว้นโรคซึ่งเกิดแต่กรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือเวรที่ได้เคยสร้างไว้เรียกว่าเวรกรรมเวรใจที่ผ่องแพ้วอยู่เสมอสร้างอารมณ์ให้ชื่นบาน มีส่วนช่วยเรื่องความงามมากบุรุษตรีที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่หนืงนิดย่อมเป็นผู้มีสเสน่ห์ในตนหนึ่งอารมณ์ที่ดีหมายถึงจิตที่แจ่มใสย่อมก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นยาวิเศษที่สุดรักษาได้ทั้งกายและใจ พ, พร้อมๆกันเป็นยาที่เราไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินซื้อแต่เป็นยาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพียงแต่ขอให้หยิบออกมาใช้เท่านั้น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า 76% ของคนไข้ทั้งสิ้นที่มารับการรักษาที่นั่นเป็นโรคที่มีสมุฐานมาจากความเคร่งเครียดทางอารมณ์ความเครียดทางอารมณ์ทำให้ปวดศีรษะปวดท้องเหมือนเป็นแผลในกระเพาะทำให้อ่อนเพลียโดยไม่ได้ทำงานเหนื่อยอะไรในที่สุด ทำให้ประสาทหลอนและเป็นเหตุให้เกิดโรคนาน า, นาประการเพราะอารมณ์กิเลสก่อให้เกิดความเหนื่อยใจอย่างยิ่งเหมือนการทำงานหนักทางกายก่อให้เกิดความเมื่อยล้าทางกายแต่การทำจิตให้สงบผ่องแผ้วเป็นการพักผ่อนอย่างดีเยี่ยมดีกว่าการนอนหลับใช้อีกเราไม่สามารถแยกปรากฏการณ์ทางกายกับทางจิตออกจากกันได้ และดูมันจะเกิดพร้อมๆกันด้วยสังเกตว่าคนที่กําลังยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์พอใจอยู่พออารมณ์ไม่เป็นที่พอใจมากระทบสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกันนี่แสดงว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันเหลือเกินจริงๆทุกคราวที่เกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกล้ามเนื้อเส้นโลหิตในไส้พุงเป็นต้น ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้มากกว่านี้แต่เกรงจะมากเกินไปสำหรับในที่นี้จึงขอผ่านไปก่อนอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าอธิจิตตาโยโคะคือการทำความเพียรทางจิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงย้าให้พุทธบริษัทโดยเฉพาะภิกษุบริษัททำอยู่เสมอทอดทุระในเรื่องนี้ไม่ได้ หลักสาคัญของพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาแต่ต้นนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพราะปรารบพระอานนทเถระมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้วันหนึ่งพระอานนทเถระนั่งในที่พักกลางวันมีความคิดว่าพระาศาสดาได้ตรัสบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์หลายอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับพระชนกช น, นี พระชนมายุของพระพุทธเจ้าไม้ที่ตัดสรุสาวกสันนิบาตอัครสาวกและอุปถ า, ากเป็นต้นแต่เรื่องอุโบสถพระาศาสดามิได้ตัดบอกไว้อุโบสถของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนของพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือไม่หนอพระเถระเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วทูลถามข้อสงสัยนั้นพระสถาคตเจ้าตอบว่าการแห่งอุโบสถของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างกัน แต่คาถาพุทธภาษิตเหมือนกันทุกพระองค์ทรงขยายความว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทำอุโบสถ7ปีต่อหนึ่งครั้งเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้เจปีพระสิกขีและพระเวสสภูทรงทำอุโบสถทุกๆุหปีพระกกุสันทะและโกนาคมทรงทำอุโบสถทุกๆุปีพระกัสสปทศพลทรงทำอุโบสถทุกๆุหเดือน เพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้หกเดือนส่วนในศาสนาของพระองค์คือพระโคโดมพุทธธรรมบูโบสดทุกๆกกึก่งเดือนส่วนพระโอวาทสำคัญหรือคาถาพุทธ ภ, ภาสิทธ์อันเป็นหลักนั้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงพระคาถาพุทธภาสิทธอันเป็นโอวาทปาติโมก ค, คือพระโอวาทที่เป็นหลักว่า การไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมเป็นต้นการประกอบความเพียรในอาทิจิตหกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีนยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น